ตอนที่21ทางแคบมาบรรจบวันที่สองฟู่ชิงหานพาไปนิงหนิ ง, นงตรงไปยังตรอกอันเงียบสงบแห่งหนึ่งในย่านที่รุ่งเรืองที่สุดของเมืองจิงสุดตรอกนั้นมีอาคารสองชั้นหลังเล็กที่ดูไม่สะดุดตาตั้งอยู่หน้าประตูแขวนป้ายไม้หลีห่ฮ่าที่ดูเรียบหรูบนป้ายมีตัวอักษรตวัดลายเส้นอย่างทรงพลังเพียงสองคำว่าเยวี่เข้าไปเถอดเจ้าของร้านชื่อชิงเยเว่เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันกับผมฟู่ชิงหานจอดรถไวที่ปากตรอกและไม่ได้เข้าไปด้วยเธอจะช่วยคุณเองตอนบ่ายผมจะมารับ ไปนิ่งๆพยักหน้าแล้วผลักประตูเข้าไปภายในร้านราวกับเป็นโลกอีกใบไม่มีชุดสำเร็จรูปวางเรียงรายละลานตามีเพียงผ้าไม่กี่พับที่ทอประกายเงางามซึ่งดูปราดเดียวก็รู้ว่าราคาแพงลิบลิ้วและหุ่นลองเสื้อไม่กี่ตัวที่สวมชุดตัวอย่างซึ่งถูกออกแบบมาอย่างโดดเด่นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชิดผ้าไหมกับกางเกงขาบานตัดผมสั้นดูธรรมะแมงริมฝีปากสีแดงสดขับให้ใบหน้าดูเ จ, จิดจ้าสเธอร์กำลังเอน็นไก่พิงโซฟาพลิกอ่านนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศอย่างเกียดคร้าน เมื่อได้ยินเสียงประตูเธอเงยหน้าขึ้นสายตาจับจ้องมาที่ไป๋หนิงหนิงพางกัดมองสำรวจตั้งแต่หัวจรดเท้าสายตาของเธอเฉียบคมและตรงไปตรงมาแฝงไว้ด้วยการพิจารณาที่ย่าจะสังเกตเห็นฟู่ชิงหานให้เธอมางนั้นเหรอเธอเ อ, อ่ยปากน้ำเสียงแหบเสน่ห์เล็กน้อยใช่ค่สวัสดีค่ฉันชื่อไป๋หนิงหนิงไป๋หนิงหนิงตอบกลับอย่างไม่ลดละและไม่ถือตัวชินเย่เว่หัวเราะ เธอหยัดกาลุกขึ้นเดินมาหยุดตรงหน้าไปหนิงหนิงบีบไหล่เธอเบาๆแล้วเชยขังขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดป่ากก็ร้องอุทานอย่างแปลกใจโครงหน้าดีจริงๆกลิ่นอายก็ดูสะอาดสะอ้านฟู่ชิงหันเจ้าภูเขาน้ำแข็งพันปีนั่นในที่สุดก็ทำเรื่องที่มีตาถึงกับเขาบ้างเสียทีเธอจูมือไปหนิงหนิงให้นั่งลงพรางรินชาดอกไม้ให้ถ้วยหนึ่งว่ามาเถอดตาไม้เท่า น, นั้นให้เธอมาทำอะไรรถนิยมหมอนั่นนอกจากชุดเครื่องแบบทหารก็มีแต่สีขาวดำเทาคงไม่ใช่ให้เธอมาตัดชุดลำลองใส่ในบ้านหรอกนะ เขาให้ฉันมาสั่งตัดชุดราตรีสําหรับไปงานเต้นรําค่ะงานเต้นรําชินเยเวเลอคิ้วขึ้นทันใดนั้นดูเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกมุมปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่าอ๋อฉันรู้แล้วงานเต้นราต้อนรับคุณหนูใหญ่ตระกูลหลินกลับประเทศนี้เองน่าสนใจน่าสนใจจริงๆสายตาที่เธอมองไปหนิงหนิงเปลี่ยนเป็นแฝงไปได้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นและความชื่นชมราวกับเป็นสหายร่วมรบในทันทีหนิงหนิงสงสัยผู้หญิงคนนี้ก็รู้จักหลินหวันชิงด้วยเหรอ ในขณะที่เธอกําลังคิดฟุ้งซ่านอยู่นั้นที่หน้าลานบ้านก็มีเสียงแออ์วอยวายที่ไม่เข้ากับบรรยากาศดังขึ้นนี่พวกคุณทําแบบนี้ได้ยังไงพวกเราเป็นแขกของตระกูลฟู่ทาไมไม่ให้พวกเราเข้าไปไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเสียงแหลมเล็กที่เต็มไปด้วยความจิกกัดของโจอวิฟเฟอรนั่นเองตามมาด้วยเสียงของชูเสี่ยวเสี่ยวที่ดูอ่อนแอแฝงความน้อยเนื้อต่าใจดังขึ้นเช่นกันใช่ครัพวกเราอยากมาตัดชุดสําหรับงานแต่งงานของพี่เซียงหยางพวกคุณจะไลี้แขกออกไปแบบนี้ได้ยังไง คิ้วของชินเยเวขมวดเข้าหากันทันทีไม่นานนักพนักงานชายคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าลำบากใจเท่าแก่ครับภรรยาของผู้อํานวยการฟู้จะบุกเข้ามาให้ได้แถมยังบอกว่าบอกว่าเป็นลูกค้าประจําของที่นี่ครับชินเยเวแค่นยิ้มเย็นโจอวีเฟินเคยมาที่นี่สองามครั้งจริงแต่ทุกครั้งเธอก็มักจะเล่ยไปโดยอ้างว่าไม่มีวาสนาต่อกัน ยังไม่ทันที่ชินเยเวจะสั่งความโจววีเฟินก็ลากชูเซียวเสี่ยวบุกเข้ามาเองเสียแล้วเมื่อเธอเห็นไปหนิงหนิงนั่งวางท่าสงบนิ่งอยู่ในลานบ้านสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างน่าดูชมทันทีไปหนิงหนิงแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงน้ําเสียงของโจววีเฟินเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อชูเสี่ยวเสี่ยวเองก็อึ้งไปเช่นกันเธอมองลานบ้านที่ตกแต่งอย่างสง่า ง, งามไม่ธรรมดาแห่งนี้แล้วหันมามองไปหนิงหนิงที่มีกลิ่นอายเหนือระดับความอิจฉาริษยายอย่างรุนแรงก็พุ่งพานขึ้นในใจเธอเ อ, อ่ยปากอย่างอ่อนนหววาตวาตแคมใน อาสไปเล็กก็มาตัดชุดเรือคะ่ะชุดที่นี่แพงมากเลยนะฉันได้ยินพี่เซียงหยางบอกว่าเงินเบี้ยเลี้ยงของอาเล็กดูเหมือนจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะคำพูดนี้ดูเพลินๆเหมือนจะเป็นห่วงแต่แท้จริงแล้วคือการประชดประชันว่าไปหนิงหนิงแซงทําเป็นรวยทั้งที่ไม่มีปัญญาจ่ายไปหนิงหนิงยังไม่ทันได้พูดอะไรชินเยเว่ก็ทนฟังต่อไปไม่ไหวเสียก่อนเธอเกลียดพว ก, กริงทีระดับต่าแบบนี้ที่สุดชินเย่วิ่งกรอบประตูอย่างเกียดคร้านพางเอ่ยกับโจววิเฟินและชูเสี่ยวเสีย ว, ว่า ขอโทษ ด, ด้วยนะคะทั้งสองท่านวันนี้ร้านของเราไม่รับแขกนอกคุณไปคือแขกผู้มีเกียรติที่สุดที่ฉันเชิญมาฉันต้องปิดร้านเพื่อให้บริการเธอเพียงคนเดียวค่ะว่าไงนะใบหน้าของโจอวีเฟิร์นเปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำราวกับตับหมูทันทีแกหมายความว่ายังไงดูถูกพวกเราเหรอฉันจะบอกให้นาลูกสะใภ้ของฉันท้องเหลินชายคนโปรดของตระกูลฟู่อยู่นะพวกเราจะไม่มีปัญญาซื้อเชียวเหรอต่อให้ท้องเป็นไข่ทองคําก็ต้องทําตามกฎ ชินเย่เวกเกียดพวกที่ชอบใช้อำนาจข่มขู่ที่สุดน้ำเสียงของเธอจึงเริ่มไม่เกรงใจอีกอย่างเกรงว่าพวกคุณทั้งสองคนจะไม่มีปัญญาซื้อจริงๆนั่นแหละคะ่ะแกเจ้าอาวิฟเฟินโกรธจนแทบจะเต้นรา่าชูเสี่ยวเสี่ยวเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเปลี่ยนสีหน้าเป็นดูน่าสงสารทันทีสายตาของเธอเหลือไปเห็นผ้าไหมสีจันกระจ่างพับหนึ่งที่ไปหนิงหนิงกำลังรูปเลยอยู่เธอจึงเอ่ยกับไปหนิงหนิงว่าอาสะพายเลคผ้าพับนี้สวยจังเลยสัปดาห์หน้าฉันจะแต่งงานแล้วอยากได้มันมาทำชุดสำหรับยกน้ำชาคุณยกใหห้้ฉันไดไดมคะ ถือว่าฉันขอร้องล่ะคะ่ะช่างเป็นการบีบบังคับทางศีลธรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆไปหนิงหนิงรอบยิ้มเย็นในใจแต่ภายนอกกลับชักมือกลับอย่างราบเรียบพรางเอ่ยเบาๆในเมื่อเธอชอบขนาดนี้จะยกให้ก็ไม่เป็นไรชูเสี่ยวเสี่ยวและโจวอวีเฟิร์นเผยสีหน้าดีใจทันทีนึกว่าไปหนิงหนิงยอมถอยให้แล้วชินเย่ยเว่กลับโกรธจนหัวเราะออกมาเธอกําลังจะอ้าปากพูดแต่ไปหนิงหนิงกลับส่งสายตาปรามไว้ก่อนแล้วค่อยๆเสริมขึ้นอย่างไม่รีบร้อนว่า แต่ว่ากฎของที่เยเวที่นี่มักจะให้ผู้ที่ให้ราคาสูงกว่าเป็นผู้ได้ไปผ้าพับนี้ฉันให้ห้าพันค่ะห้าพันทุกคนในที่นั้นต่างสูดหายใจเข้าลึกๆด้วยความตกใจในยุคนั้นเงินจํานวนนี้ถือเป็นราคาที่สูงลิบล้วใบหน้าของโจวิฟเฟิน์นและชูเสียวเสี่ยวเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวซีทันทีต่อให้พวกเธอเอาทรัพย์สินทั้งหมดออกมาก็ยังรวบรวมเงินจํานวนนี้ไม่ได้แก่แกเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนโจวิฟเฟิร์นพลงออกมาอย่างเสียสติ ไปนิ่งนิงยิ้มบางๆงพางกว่างบัตรเงินเดือนในมือไปมาออเมือไม่กี่วันก่อนรัฐบาลเพิ่งจะให้รางวัลมาหนึ่งแสนหยวนนักใครยังไม่มีที่ใช้เลยพวกคุณลืมไปแล้วเหรอนึกไม่ออกหรือว่าไม่อยากจะนึกถึงกันแน่คะอุบโจวอวีเฟินรู้สึกเหมือนมีเลือดเก่าจุกอยู่ที่ลำคอแทบจะกรากออกมาตรงนั้นเธอลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท เมื่อไม่กี่วันก่อนเธอกับแม่ของชูเซียวเซียวเพิ่งจะทะเลาะกันแทบตายเรื่องเงินสินสอดไม่กี่พันหยวนสุดท้ายทุกคนถูกเรียกไปต่อหน้าท่านผู้เท่านังเด็กแพทย์ยาไปนิ่งนิ่งคนนี้ไม่เพียงแต่ได้หน้าไปเต็มเต็มแต่ยังได้ลาบก้อนโตมาอีกด้วยหนึ่งแสหยวนเชียวนะแค่คิดว่าเงินนั่นไม่ใช่ของตัวเองเธอก็รู้สึกปวดใจจนแทบทนไม่ไหวส่วนชูเสียๆๆ่ยวเสี่ยวที่อยู่ข้างๆใบหน้ายิ่งขาวซีดราวกับกระดาษเธอขยำห ม, มัดแน่นรู้สึกเหมือนตัวเองถูกไปหนิ่งนิ่งยามหน้าอย่างรุนแรงอีกครั้งในตอนนั้้้นเเองตาตาาก ที่ไปหนิงหนิงวางไว้บนโต๊ะก็ดังขึ้นเธอรับสายแล้วเปิดลําโพงเสียงทุ้มต่ําของฟู่ชิงหานดังออกมาจากข้างในหนิงหนิงเลือกชุดเป็นยังไงบ้างร่างกายของโจอวิฟเฟิร์นและชูเสี่ยวเสี่ยวแข็งทื่อพร้อมกันไปหนิงหนิงมองดูสีหน้าอันหน้าเหลือเชื่อของพวกเธอแล้วค่อยๆเอ่ยใส่โทรศัพท์อย่างไม่รีบร้อนว่ายังเลยค่ะพลางเหลือบมองสองแม่ลูกสะพ้ยที่ยืนอยู่ข้างๆเฮาสงสัยฉันจะตาถึงเกินไปหน่อยของสวยๆก็แพงไปหมดเลย คำพูดนี้ฟังดูเหมือนบน่นแต่แท้จริงแล้วคือการราดน้ำมันลงบนกองไฟตาถึงแล้วมันไม่ดียังไงปลายสายมีเสียงหัวเราะเบาๆของฟู่ชิงหานดังมาผู้หญิงก็ต้องตาถึงหน่อยถึงจะถูกจากนั้นเขาก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นเรื่องปกติและเต็มไปด้วยความตามใจว่าถูกใจชิ้นไหนก็ซื้อเลยไม่ต้องประหยัดเงินให้ผมเงินของผมก็มีไว้ให้คุณใช้อยู่แล้วถ้าเงินไม่พอ ผมจะไปทำเรื่องขอเบอิกเงินล่วงหน้ากับทางเขตทหารเองครอบครัวผู้มีเกียรติชั้นหนึ่งสวัสดิการแค่นี้ควรจะได้รับอยู่แล้วคำพูดไม่กี่ประโยคนี้แต่ละประโยคช่างดูทรงอํานาจและมีน้ําหนักยิ่งนักถูกใจชิ้นไหนก็ซื้อเลยเงินของผมก็มีไว้ให้คุณใช้ครอบครัวผู้มีเกียรติชั้นหนึ่งทุกคําพูดราวกับฝ่ามือที่ตบฉาดลงบนใบหน้าของโจอวิเฟินและชูเซียวเซียวอย่างแรงเลนชายคนโปรดที่พวกเธอภาคภูมิใจนักหนาไม่อยู่ต่อหน้าฐานะครอบครัวผู้มีเกียรติชั้นหนึ่ง ที่รัฐบาลรับรองแล้วช่างดูไร้ค่าสิ้นดีใบหน้าของโจาาววีเฟิร์นกลายเป็นสีม่วงขำราวกับตับหมูเธออยากจะโต้กลับแต่กลับพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวชูเสี่ยวเสี่ยวยิ่งขบเม้มริมฝีปากล่างแน่นจนแทบจะมีเลือดซึมเธออุตส่าห์วางแผนสารพัดเพื่อให้ตัวเองท้องลูกคนนี้เพื่ออะไรคนอย่างฟู่เซียงหยางเธอไม่ได้นึกพิสวัรเลยสักนิดที่ต้องการก็คือทรัพย์สมบัติของตระกูลฟู่ไม่ใช่หรอ และในสับสมบัติของตระกูลฟู้เงินของฟู้ชิงหานก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดนั่นหมายความว่าเงินทุกหยวนที่ไปหนิง่งนิงใช้ไปในตอนนี้ก็คือเงินของเธอในอนาคตทั้งนั้นนิง่งนิงสังเกตเห็นสีหน้าอลากหลายบนใบหน้าของสองแม่ลูกสะพ้ยอย่างชัดเจนในใจรู้สึกปลอดโปร่งยิ่งนกักการที่ตัวเองมีความสุขนั้นก็น่าภูมิใจอยู่แล้วแต่การได้เห็นศัตรูพ่ายแพ้ยิ่งน่าสะใจกว่าเธออารมณ์ดีขึ้นมากเลิกคิ้ว ข, ข, ขึ้นแล้วส่งยิ้มหวานให้โทรศัพท์รับทราบค่ะคุณสา ม, มีใจดีที่สุดเลย น้ำเสียงของเธอหวานหยดย้อยราวกับอาบด้วยน้ำผึ้ง